อิสระชนิดไหนล่ะที่ท่านชอบพระไทยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสององค์ได้รับนิมนต์ไปชันอาหารที่บ้านโยมอุปถักต์ในเช้าวันหนึ่งห้องรับแขกที่ท่านนั่งพักอยู่ตกแต่งด้วยตู้ปลาที่มีปลาหลากหลายชนิด พระองค์ที่มีอาวุโสน้อยกว่าบนว่าการเอาปลามาเลี้ยงไว้ในตู้เช่นนี้ขัดกับหลักความการุณาในพุทธศาสนามันเหมือนกับการเอาปลามาขังไว้ในคุกปลาพวกนี้ทำอะไรผิดปรึกจึงโดนกักขังไว้ในคุกกำแพงกระจกเช่นนี้มันควรจะได้ว่ายน้ำอย่างอิสระอยู่ในแม่น้ำและทะเลสาบไปไหนก็ได้ าความพอใจพระองค์ที่สองไม่เห็นด้วยท่านยอมรับเรื่องที่ปลาเหล่านี้ไม่มีอิสระที่จะว่ายไปไหนมาไหนตามใจชอบแต่การที่มันอยู่ในตู้ปลานี้ก็ให้อิสระมันจากพยันตรายนาน า, นาประการท่านได้แจกแจงความเป็นอิสระของปลาเหล่านั้นดังนี้ เราเคยเห็นชาวประมงหย่อนสายเบ็ดลงในตู้ปลาที่บ้านใครบ้างไหมไม่เคยแน่ดังนั้นอิสระแรกของปลาในตู้ก็คืออิสระจากการไล่ล่าของชาวประมงลองวาดภาพดูว่ามันเป็นเช่นไรสำหรับ ปลาที่อยู่ตามธรรมชาติเวลามันเห็นหนอนตัว อ, บอวบหรือมแมลงตัวอ้วนน่ากินมันไม่สามารถจะแน่ใจได้เลยว่ามันปลอดภัยที่จะกินหรือไม่ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันต้องเคยเห็นเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องของมันงับกินหนอนที่ดูน่าอร่อยนั้นและในทันทีทันใดนั้นก็ถูกกระตุกวับหายไปทางเบื้องบน อำลาพวกมันไปตลอดการสำหรับปลานอกตู้ทั้งหลายการกินนั้นย่อมเต็มไปด้วยพยันตรายและบ่อยครั้งที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมจะกินอาหารมือใหญ่เมื่อไหร่ก็ต้องคิดหนักทุกทีบรรดาปลาทั้งหลายน่าจะต้องเป็นโรคกระเพาะไปต่ำตามกันด้วยความเครียดในการกิน แล้วเจ้าตัวที่หวาดระแวงมากๆคงหิวตายแน่ๆขณะที่ปลาอยู่ตามธรรมชาติเป็นโรคจิตกันเป็นแถวปลาในตู้กลับปลอดภัยจากพยันตรายเหล่านี้ 2. ปลาในธรรมชาติ ยังต้องกังวลเรื่องจะโดนปลาที่ตัวโตกว่ากินมันอีกด้วยปลาว่ายน้ําอยู่ในลําธารเล็กๆตอนกลางคืนอันตรายซะยิ่งกว่ามนุษย์เดินตามตรอกเล็กๆในยามค่ําคืนในแหล่งเสื่อมโทมไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามย่อมไม่มีเจ้าของตู้ปลาคนไหนใส่ปลาที่กินกันเองลงไปในตู้เดียวกันดังนั้น ปลาที่อยู่ในตู้ย่อมเป็นอิสระปราศจากพยันตรายจากปลาที่กินปลาด้วยกัน 3. ในวัตตจักแห่งธรรมชาติปลาในธรรมชาติบางครั้งก็ไม่สามารถหาอาหารได้ขณะที่ปลาในตู้นั้นเสมือนมีร้านอาหารอยู่ใกล้ อาหารดีมีคุณภาพถูกจัดส่งมาถึงประตูบ้านวันละมื้อสองมือ้อแถมยังบริการดีซียยิ่งกว่าพิซซ่าที่ส่งถึงบ้านเพราะไม่ต้องจ่ายสักสตางค์เดียวดังนั้นปลาในตู้จึงเป็นอิสระจากอันตรายใดๆที่เกิดจากความหิว 4. เมื่อรุดูการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิของน้ำในแม่น้ำและทะเลสาก็เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลด้วยมันจะหนาวมากในฤดูหนาวจนน้ำอาจจะกลายเป็นน้ำแข็งในฤดูร้อนน้ำก็อาจจะอุ่นเกินไปสำหรับปลาหรือถึงกับแห้งขอดไปเลยแต่ปลาในตู้เสมือนมีเครื่องปรับอากาศวงจรสลับอัตโนมัติอุณหภูมิของน้ำในตู้ปลา ถูกปรับให้คงที่และสบายตลอดวันตลอดปีดังนั้นปลาในตู้จึงเป็นอิสระจากความเดือดร้อนเรื่องความร้อนความเย็นหาปลาในธรรมชาตินั้นเมื่อมันป่วยก็ไม่มีใครดูแลรักษามันส่วนปลาในตู้ ราวกับมีประกันสุขภาพฟรีเลยทีเดียวเจ้าของปลาจะเรียกหมอมารักษาถึงบ้านทุกครั้งที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยพวกมันไม่ต้องไปหาหมอที่คลินิกด้วยซ้ําดังนั้นปลาในตู้จึงเป็นอิสระจากพยันตรายอันเกิดจากการไม่มียารักษาโรคพระองค์ที่สองผู้อาวุโสกว่าสรุปว่า การเป็นปลาที่อยู่ในตู้หรือในสถานเลี้ยงปลาได้เปรียบกว่าหลายประการจริงอยู่ที่มันไม่มีอิสระที่จะทำตามความอยากของมันโดยว่ายไปนูน่นมานี่ตามใจชอบแต่มันก็เป็นอิสระจากพยันตรายและความทุกข์นานาประการแล้วพระอาวุโสก็อธิบายต่อไปว่า เช่นเดียวกับมนุษย์ผู้สงศีลจริงอยู่ที่ท่านไม่มีอิสระที่จะทาตามความอยากต่างๆนานาและหลงระเลงไปทางนน้นทีทางนี้ทีแต่ท่านก็เป็นอิสระจากพยันตรอันตรายและความทุกข์นานาประการและโยมละ่ะต้องการความเป็นอิสระชนิดไหน